สมาธิหรือฌานมีอยู่สองอย่างอารัมมานูปนิชฌานจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายแต่ไม่มีความรู้สึกอันนี้เรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติสมาธิอีกอันหนึ่งพอจิตสงบพับลงไปไปว่างอยู่นิดหนึ่งบางครั้งมีความคิดโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมา อันนี้เรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือสมาธิในอริยมรรคหลวงปู่เทศท่านว่าสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดจิตสงบแล้วมันเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาท่านว่าสมาธิในอริยมรรคแต่แท้ที่จริงมันก็คือสมาธิมีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิด วิจารก็คือสติที่รู้พร้อมเมื่อจิตสามารถดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติวิตกคิดไปสติรู้ไปรู้ไปความดูดดื่มมันก็เกิดขึ้นเกิดปีติเกิดความสุขแล้วก็เกิดความเป็นหนึ่งสมาธิแบบเนี้ยจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละรู้อยู่ที่จิตนั่นแหละความคิดมันจะผุดขึ้นผุดขึ้นอย่างกับน้าผุ